ถึงช่วโมงไม่วันนี้ฮะเทเสียงไม่ดังนัะแต่ว่าค่อยค่อยไปกันเลยนานเองเกี่ยวกับโลกขัดหน้าอกเนี่ยไปทําให้ยานั่นไปเรื่องมันไปเกี่ยวโยงก็เลยพูดถึงเรื่องความที่ว่ายังไม่อยากตายอืคือไม่อยากตายด้วยเหตุอื่นเหใดไม่อยากตายด้วยเหตุที่ว่าเรายังไม่ยังไม่จุกใจพูดง่ายๆยังไม่จุกใจในทำทั้งหลายส่วนที่มันเป็นยู่น้องผือไม่เห็นมันห่วงอะไรนี่นะ แปลกอยู่นะอ น, นี้ก็ไม่ลืมอีกที่ว่าถ่ายยี่ห้าหนอนอาเจียนสองหนอที่ว่ามันจะไปเราไม่เห็นมันห่วงอะไรเลยนะัมีแต่ว่าเอาจะจะไปนี่เถอะเลยเอาไปก็ไปเนะี่ยมันว่างเลยมันไม่ห่วงอะไรเห็นได้ชัดจริงๆนะโลกหัวใจนี่ก็มาเห็นชัดต่อตอนนี้ตอนที่หมอเสงเข้ามาเอายามาให้กิน ราคายาแพงสามแสนทันทีแต่ยาเราถูกโรกเราเพราะฉะนั้นจิงคุ้มค่ากันราคายาก็ถึงสามแสนนั้นจเจริญเกียวนะสิริออกแสนห้าแล้วก็เจกล่ก็ออกแสนห้านแล้วก็มีอะไรอีอ่งออกอะไรสี่หมื่นนิดหน่อด้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 มันก็ขึ้นไปแค่เ 98, ก 98, 98้าแปดเก้าแเก็เคยพูดให้ฟังตนนั้นโยงหัวใจนี้ยังไม่เคยมันเฉยยางไงมึงจะมาหาหญ่เนีน่นอนย่างบนเออ่างนอนจะอ น, นอาเ น, อ น, นี้่า <c oughs> มจะไปเฉ็ิดเีดยวเาใมึนหนัมึงนะมเคยอีดีก็บรรยมึงสงบดีดีก็บมึงได้นนี่เล นี่คือว่าคนคนตายมันจับได้ชัดตรงที่ว่ามันชักลมพึดออกหมดไม่มีเหลือเลยนะคนก็ตกใจเลยทีแล้วอีกก็เลยออกไว้พร้อมกันนั้นในขณะนั้นเราไม่เป็ น, น, อนอนลมออกหมดความรุ่นไม่ออก เพราะเราไม่ได้เผอเนี่ยไม่เหมือนอย่างโลกโลกเขาเราพูดตามความจริงเพราะเราไม่ได้เผอนี่มันเป็นยังไงก็ดูคือดูความจริงของนั้นตายก็ไม่กลัวไม่กล้าเน่จึงไม่เพราะอย่างนั้นจึงเรียกว่าดูความดูความจริงกลัวอยู่กล้าอยู่อะไรมันไม่สมบูรณ์ไม่กลัวไม่กล้าดูความจริงมันเป็นยังไงแสดง่องของเรื่องธาตุขันมันแสดงเดยคิดแท้ๆไม่ได้เป็นมีขันมันจะ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 ความรู้บงับงคับความรู้ไว้ลมนะั้นหายแล้วนะหายเงียบไปแล้วนะลมหายใจไม่มีเลยนั่นเองเพื่อแต่ความรู้นี่มันยังมีบังคับไว้ไม่นานนักก็ที่ลมหายใจค่อยๆมีค่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยอแผ่เบาขึ้นมาเนี่ยแี่หายไปหมดเลยนะแต่ความรู้ไม่ไปนี่แหละความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานเอาไว้ที่จะให้เกิดมีลมหายใจขึ้นมามันก็มีขึ้นมาแต่มันมันเป็นอยู่เรื่อยเนี่ยทีอันนี้เวลามัน มันแกกล้าขึ้นมาแล้วใครจะไปไปบงังคับมันได้ละ่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ป ร, รีาพาน ว, ว่าไงไอ้ร้องตัวโท่าหนูเนีน่ไปอวดอะไรเนี่ยตรงเหตุที่คิดว่านี่จะไปไม่รอดถ้ามันลงเป็นขนาดนี้แล้วล้าหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วยังไงก็จะไปไม่รอดแต่บางคืนยังบางวันยังไม่ยังสง ส, ยสัยตัวเองไม่แน่ใจจึงไม่กล้านอนเพราะเวลามันเป็นในลาหลับนั้นมันจะแก้กันไม่ทัน เราจําได้พอสองคืนไม่ได้นอนแต่ไม่ใช่ติดกันนะกลางวันก็ไม่กัน้นนอนก็มีอยู่สองวันเราจําได้จ้ะมันแรงขนาดนั้นเวลามันเป็นเต็มที่ของมันนั่น น, นะที่ว่ามัน 9.9% ที่ว่าลมหายใจหายเงียบไปเยอะแต่ความรู้สักตัวลูกเนี่ยมันค่า ก, กันกับที่ถ่ายท้อง อยู่้องผลนนั่นอันนี้อะเท่ากันโลกหัวใจนี่มาถึงเก้าากเก้าเเซ็นก็มาถึงในตอนนี้แหละแล้วยาเขามาระาถูกอืมพอยามเราคิดดูที่เขามาแม่เรานี่หน้าซีดลงซีดลงเราดูยัยทำไมเขาเป็นพอเขาปล่อยมือเท่นั้นแหละเขาบอกนี่ท่านอยู่ได้ไงเขาหวังเงิง น, นี่เขาท่านอยู่ได้ไงแต่เขาธรรมดาโลกเขาต้องรักษากัน เรื่องของโรคเปลีนยนนั้นเขากลัวเราเสีย อ, อกเสียใจเขาก็ยบ oh, อกไม่เป็นไรสำหรับท่านเป็นนักภ า, าวนาถ้านเป็นคนอื่นตายเป็นนานแล้วะเขาก็ตอบว่างนั้นนะเขพราแม่มัคนคงจะไม่มีอะไรเลยคุณต้องบอกว่าท่านอยู่ได้ไงเขาวางนั้นเสร็จ <c oughs> แล้วเขาก็แก้ปุ๊บ ก, กันที oh, อ๋ออยู่ได้สำหรับท่านเป็นนักภ า, าวนาท่านเนคนอื่นตายเป็นนานแล้วนี่ก็ที่ไปสิริราชข่าวเนี้ข่าวที่แล้วเนี่ยที่ไปตรวจ ไ้เช็คร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะที่เขาเอาเครื่องจับ24ชั่วโมงลองหัวใจมันทำงานเป็นยังไงมันนุ่มเหลว็นยังไ ง, ไงเครื่องนี้จะบอกจะบอกตลอดเวลาที่มันจับอยู่นั่นนี่ก็ได้23ชั่วโมงเขาก็มาเอาเครื่องนี่ออกเขาไปไปตรวจดูแล้วเขากลับมาบอกว่า หมอเขาจแจ้งเราทํางานล้มล้มเหลวไปนี่นะได้เจ็ดร้อยหกสิบครั้งฟังยัยอันนี้หมอเขาก็งงเหมือนกันเลยนะมันทํำงานจริงเป็นอย่างไงนะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนี้มันยังไม่ถึงครึ่งนี่นะมันไปนานแล้วกว่างนันอันนี้ท่านอยู่ได้ยังไงก็ไม่ทราบนะเขาว่าเขาพูดเหมว่าทอดอะไรตายยากนี่ท่านอยู่ได้ไงก็ไม่ทราบก็กบ เ, เห็นดีดอยู่ธรรมดาอยู่กว่างนันเขาว่า แต่ดูเครื่องอันนี้มันพิลึกเกินไปไม่เคยมีเขาว่างนั่นนะเขาบอกเขาไม่เคยมี<อ>ยังถยังไม่ถึงครึ่งนี้มันก็ตายไปแล้วเขาว่าเน<อ>ี่ยมันก็อย่างนั้นแล้วอำํำนาจของธรรมสาคัญนะถ้ามันไม่สุวิสัยจริงมันก็ไม่ไปอย่างง่ายๆได้เหมือนทั่วๆไปนะเน<อ>ี่ยพระพุทธเจ้าพ<อ>ีปรินิพานทรงทําหน้าที่ความเป็นศาสดา เรียกว่าแสดงไว้ลวดลายของศัสว์ดาอย่างเต็มภูมิในขณะที่จะริผพานพระองค์ทรงบาดวันที่ตรงไหนสัตทุกร์ท่านอะไรฟังสิข้าวปุมชฌาญและกทุตุ้นเตี่ยชาแน่นทรงแสดงลวดลายของศัสดาในวาระสุดท้ายให้โลกได้เห็นโลกผู้มีความสามารถ่างนั้นมีผู้ที่มีนิสัยในทาง น, นั้นยังมี อันใเห็นอันรู้อย่างพระนูท่าก็ดูอยู่ตลอดเวลาท่านนั่งสมาธิเมื่อไหร่เวลาพระอุดีถามเอ้นี่ท่านไม่ใช่ท่านกล้าก็ไปถึงสัญญาเวทายสถานนิโรดดับสัญญาเลเวทนาอยู่เงียบสงบจึงเป็นเหมือนตายว่างันั่นนะแล้วก็พระอุดีสงสัยเอ้น่นี่ไม่ใช่ท่านนิพพานนั่นหรือพระนุทยังตอบทันทนีนั่นฟังดี ก็ท่านนั่งดูอยู่จำเป็นอะไรที่ต้องไปเข้าฌานเข้าจอมารดูความจํานานตามนิสัยของท่านเต็มภูมิแล้วท่านบอกว่ายังน่ะนนท่านประทับอยู่ที่สัญญาเวทไทยตานิโรธเน่ฟังดิ่งนี่แห่ะท่านแสดงล้วนหลายท่านกลัวอะไรครูพุทธเจ้าฟังสิกล้าเข้าสมะฌานเรื่อยรูปฌานสีนี้ก็หมดแล้วก็บก้า เขาอรูปฌานสี่คืออาการสารนั hmm. ่งใจคือเป็บินญานจาอาธินบันยาในสัญญานาสัญญาชนะแล้วก็ก้าเข้าสู่สัญญาเวทไทยแต่งิรุตมาบัติพักนั้นทั่วระยะหนึ่งนั่นแหละช่วงระยะที่เงียบไม่ว่าท่านตอนนี้ผ่านแล้วถามขึ้นมาทังนี้ก็ตอบมีเวลาท่านถอยมาจากนั่นก็เสด็จลงเรื่อยเๆจนกระทั่งถึงไปถึงธาตจิตบริสุทธิ์ธรรมดาไม่เข้าฌานใด้เลย พระนุธาก็รู้ตลอดเวลาไปถึงชาไหนชาไหนไงพระนุธาลูรู้รู้ตลอดเวลาพระจิตถอยลงมาจนกระทั่งถึงปฐมฌานเลยปฐมฌานลงไปเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดา mm. พระนุธาก็รู้อะคราวหลังนี้ก็กล่าวขึ้นมาจากปฐมฌานขึ้นไปพอพ้นจากอรูอพ้นจากรูปฌานสี่คือเจตุฌาน พอพ้นไปแล้วทนี้ปรินิพานแล้วหนาฟังซิเป็นยังไงพระจิตท่านสูญไหมฟังซิพระจิตของพระเจ้าสูญไหมนี่พระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีสิ่งพาดพิงมีสมมติพาดพิมพ์ก็พูดได้ว่าขณะนี้พระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยกล้าเข้าสู่ปฐมฌานและดุติยฌานตาัติฌานจตุตฌานนี่พระจิตที่บริสุทธิ์นี่สูญไหมฟังซิออกอางนี้ก็ก้าก็ สู่อรูปฌานสี่คืออาการสารนันจาณวิญ ญ, ญ, ญราณอจินจัญญาขณะเนสัญญานาญาแล้วก้าเข้าสู่สัญญาเวทายตจโลดดับสัญญาเลไดบเบสนาไม่ใช้อาการทั้งหมดในพระจิตนั้นเวลานั้นนี่แล้วประทับอยู่ในสัญญาเวทายตจโลดนั้นศูนย์ใหม่ฟังสิถ้าศูนย์พระหมณ์ถ้าจะพูดได้อย่างไรว่าเสด็จถึงนั่นถึงนั้นนั่นแล้วประทับอยู่ที่นั้นนั่นเนี่พระจิตที่บริสุทธิ์ศูนย์ใหม่นั่นฟังสิพวกเรา ทีนี่ไปละออกจากสมมุติทั้งโดยประการทั้งปวงแล้วนี่ที่นี้ไม่มีอะไราพาดผิดแล้วจึงบอกว่าปริิพานแล้วเรียกว่าพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงคือปล่อยสมมติทั้งประการัง้งวในความรับผิดชอบปล่อยหมดแล้วส่วนอุปทานนักขันนั่นไม่ต้องพูดแหละตั้งแต่เวลาบริสุทธิ์ท่านท่นปล่อยหมดแล้วตรงนู้นแต่เวลารับผิดชอบโดยสัญทาติยานมีอยู่นี่ในขันก็ อ, ออกตรงนี้แล้วก็ปริิพพานแล้ว อันนี้จะไปพูดยังไงได้เพราะเหมือนเราบินที่ขึ้นบนถ้ำกลางอากาศนั้นไม่มีอะไรพลาดจีนเราดูได้ว่าเร็วว่าช้าอะไรนั้นนอกจากเราเขามีเครื่องเขาวัดดูเฉยเด อ, อันนี้ก็ไม่มีอะไรพลาดจนี น, น, น ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทําหน้าที่ ความเป็นศัสดาให้เต็มภูมิในเวลาสุดท้ายท่านจะทุกข์ละท่านอะไรอยู่ทีเพราะสิ่งมันนี้เป็นส ม, มุดท่องมวลที่กล่าวมาเนี่ยเข้าปฐมฌานรุจิฌานอันี้มีแต่วิมุติทําหน้าที่ของส ม, มุดเท่านั้นเองวิมุตคือคือจิต ท, ที่ถ้าจิตที่ถูกพ้นแล้วนั้นทําหน้าที่แสดงลวดลายของสัจดาให้เต็มภูมิสาหรับให้โลกทั้งหลายได้ยึดได้เห็น ท่านไม่มีอะไรสตุกตทานก็จะสตกตท า, านอะไรเพราะนั้นเห็นที่ใจใลงให้ใจบริสุทธิ์แล้วดินก็ทราบเป็นดินอยู่แล้วร่างกายงเรามันเป็นธาตุอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นธาตุอนั้นมาตั้งแต่วันเกิดดินก็เป็นดินนา้าเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่มันเกิดมันเป็นมากเป็นผลเป็นนิพพานที่ไหน Ừ, พอที่จะไปกลัวลงกลัวตายกลัวนั้นกลัวนี้สลายไปก็เป็นท่าเดิมมืตัวเองนอกจากมันแยกจากความผสมกันลงสู่ท่าเดิมมตันเท่านั้นมันก็มีต่างแปล่ต่างแต่กลัวอะไรยินแตเรื่องของ ท่านเรื่องของเราไม่มีทําไมไอือให้ยินแต่ข่าวของท่านข่าวของเราไม่มีมทําไงข่าวของท่านมีแต่ทรงอัดทรงทำทรงมะขุล ผ, ผ่านข่าวของเรามีแต่ทรงแต่ความขี้เกียจขี้คล้านควานต่อแท้อดแด่แบบหามแต่กิเลสวันยังคําคุยัยงลุกมันยังไงกันเอาพี่นาบ้างดี อะไรไทำอะไรก็เก็เหาบกเดียวทีเดียววเวลามีแขกมีคนม า, าเนี่ยพระเนนเราเป็นยังไงผมไม่อยู่แล้วก็วิโตวิจ า, ารณ์นะเดี๋ยวนี้ อ, อย่าให้เห็นนะเรื่องหลานี้นะ เ, เรื่องให้น่าดูน่าชมพระปฏิบัติย่อมไม่คุ้นไม่ชินกับใครนอกเหนือจากทมไป อยู่ที่ไหนก็ให้มีส ต, ต, ติสตังตัอสมาธิระวังรักษาตัวตลอดเวลาจริงเชื่อเป็นผู้รักษาธรรมปฏิบัติธรรมมีคนยิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นเดิลำดั บ, บนั้นเฮงเที่ยวกันเหมือนกันตอนเช้าเนโฮโฮี่ยโอ้โหแต่ทหารกว่าจะเสร็จ 30, 40, 40 50สี่สิบ้านาทีหกชั่วโมงยังตักวางตักวางนะตัก ปิ่นโตละช้อนละช้อนเทานั้นนะฟังสิจับตักจั บ, จ บ, จบตักวางต่วางขนาดนั้นไปทั้งสี่สิบห้าสิบนาทีมากไหมฟังดูบาตึงเต็มอีกตักช้อนเยอะช้อนเยอะจนเต็มบากแล้วยังต้องมีชามมาใส่วางข้างถึงสองชามชามเต็มเต็มมันยังไม่หมดวาง ถ้าจะลำคาญก็ได้ลำคาญแล้วรืงกินก็แค่แค่นี้ไม่ต้องอดไรทำมีกระเพาะยนต์อย่า ง, ง, งห่าใจคนนั่นเองเพราะวใจเป็นของมีคุณค่าแล้วก็ตะเกียกบตะกายไม่ว่าเขาว่าเราต้องคิดเทียบหน้าเทียบหลังเทียบท่านเทีบททบยบเราซะกันเฉลี่ยแล้วก็พอตูกก็ตายกันไปอย่างที่พูดถึงเรื่องไปอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนกัน นี่เราที่ถูถ่ายเนี่ยก็เพรเราคิดอย่างนั้นเองพรนเนร์จรินี่ยมั่มากนี่ก็คิดไปใสงคิดเรื่องหัวใจของเราเวลาจอแสดงหาครูอาจารย์เป็นยังไงเนี่ยนะพวกญาติโยมกับวันกันเราเห็นเพียงพระเนรนเราไม่น่าดูน่าชมในกิจกานใด น, นี้เรายังไม่พอใจเรายังดุด่าว่ากล่าว เขาก็เหมือนกันที่ตาคนแต่แทหูคนหัวใจคนทีหน้าเขารลภเรื่องใสเขาก็เรื่อมใสไม่หน้าเขาก็ไม่เรื่อมใสแล้วก็คิดเหมือนกันเขาเขาเขา้าคิดกันเราเราที่แต่พอทุทุไทกันไปแต่จะให้รับแบต่ละคนตลอดเวลาจริงเราก็ไม่ไหวมันเราจึงรับเป็นเวลาอเอาละอปนะเอ้ยเดี๋ยไปนะละเอาละเลิกกันละ